ขอความจเจริญในธรรมทุกท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โรวงรพ่อพทธิยางกำลังนำเสนอเรื่องทุกข์สัตย์ก็มาถึงช่วงของความเกิดความแก่ก็วันนี้จะพูดถึงความตายเป็นต้นไปทัไมมาเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าแต่ละข้อนะให้ลองสังเกตว่า ความเกิดเป็นที่ชื่นชมยินดีของบุคคลทั้งหลายเวลามีลูกหลานเกิดขึ้นมาญาติว ง, งศ์งษาที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะไปเยี่ยมเยียนกันเป็นมาก ร, รมที่เดียวแต่เวลาพอแก่เข้าเนี่ยยิ่งแก่มากเท่าไรเนี่ยคนเราอื่นก็จะหดหายไป และบางครั้งบางคราวคนชราเหล่านั้นก็ถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวเดียวดายเพราะตายกลายเป็นเรื่องเศร้าสุขเสียใจปริเวทนาการคร่ำครวนก็นด้วยประการต่างๆก็แสดงว่าเรายอมรับความเกิดแต่เราปฏิเสธความตายกับความแก่เนี่ยค่อนข้างจะต่อต้าน หมายความว่าถ้าความแก่เกิดแก่เราเนเราไม่ชอบใครเรียกเราที่เกินไวัยไปเนี่ยเราก็ไม่ชอบยังนึกถึงเพื่อนท่านหนึ่งเขาเป็นอาจารย์นะที่จริงก็ปีสุดท้ายก็แสดงว่าอายุเก้าห้าตีเก้ากว่าเขาไปคุ้มสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยแล้วก็มาเล่าฟังเองแเดินดูไปเรื่อย ก็ถามานักศึกษาว่าเป็นไงยยากไหมเด็กก็บอยากเหมือนกันเลยลุงพอเด็กเรียกลุงในหยุดเลยนะกลับมานั่งที่เลยไม่ยอมออกตัวจล้วรู้สึกวดโถมันัดมากนั่นก็คือการต่อต้านความแก่แล้วในสุดมันก็ต้องดิ้นนะต้องดิ้นก็ด้วยกว็ประกาศต่างๆเพื่อป้องกันความแก่ผมหงอก็ต้องย้อมกันย้อมแล้วก็ย้อมกันอีกนะโครก็ขาว เอาเเนี่ยมีการดิ้นรนด้วยประการต่างๆในผล ท, ท้ายมันก็หนีไม่ได้หรอกยุคนี้แม้จะเป็นยุคสัญญกรรมพลาสติกทำก็ไปทํากันมานะะแต่เวลาของชีวิตมันก็คือต้องเป็นอย่างนั้นนะนั่นความแก่คือมันมาแล้วต้องหาประโยชน์จากมันมันไม่ใช่ปล่อยให้แก่เปล่าเพราะค่าของชีวิตจริงๆเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ อายุมากน้อยเท่าไรค่าของชีวิตมันอยู่ที่ว่าเราใช้ชีวิตอย่างไงคนบางคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยวัยที่สามารถจะอยู่อีกได้มากเนี่ยแต่ว่าจากไปซะก่อนเพียงแต่วันในขณะที่ท่านครองชีวิตอยู่นี่ท่านสามารถสร้างสรรค์ปัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ประชาชนได้มาก ก็กลายเป็นปลาประดับแผ่นดินไม่ได้ตอนมาถึงความตายซึ่งเป็นที่หวาดกลัวของบุคคลทั้งหลายเนี่ยจะบางคนรุนแรงจะถึงกับพูดเรื่องตายไม่ได้กลยๆก็เป็นอัปมงคลพูดเรื่องแก่ก็โกรธนะฮะพูดเรื่องเกิดเนี่ยพไหวแต่คนอื่นเกิดตอนในเรื่องความแก่เราจะเห็นว่า แจะเกิดเนี่ยไม่ได้พิจารณาแต่ว่าแก่ตายเนี่ยแก่เจ็บตายเนี่ยสอนให้พิจารณาแต่วความเจ็บมันอยู่อีกมุมหนึ่งนะฮะคือว่ามันอยู่ในกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มของเขาเรียกว่าทุกจรมาปัญหาว่าความตายเนี่ยคืออะไรความตายคือที่ตายเนี่นะะที่ตายแล้วทรงอธิบายไว้อย่างที่บอกว่าคําสอนพระเจา้าแต่จริงมันเป็นกฎธรรมชาติ ตัวธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักหาประโยชน์จากมันแล้นั่นเองมันไม่ได้นำองค์คารมาจากสูงสวรรค์อะไรเป็นการการูคารสรความจริงที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแล้วก็แสดงความจริงก็เรื่องนั้นออกมาพระเจ้าก็ทำในฐานะเป็นผู้แสดงความตายเป็นยังไง ความตายก็บางครั้งบางคราวท่านก็อุปมาเรียกสั้นๆนะฮะคือการแตกทําลายแห่งชีวิตตินรีย์ทั้งหลายแต่ว่าที่ทรงอธิบายเนี่ยทรงอธิบายว่าภิกษุทั้งหลายมอหน้าความตายเป็นอย่างไดความจุติจุติเนี่ยคือตายนะฮะปฏิสนธิเนี่คือเกิดเช่นว่าคน จุติจากนั้นไปสู่ที่นั้นจุติจากนี้ไปสู่ที่นี้นแต่ภาษาบาลีเรียกแปลกคือเวลาตายเนี่ยเขาเรียกว่าจุดติจิตคือจิตบันดับจิตเป็นจุดติแต่เวลาเกิดเนี่ยเขาเรษษียกปฏิสิทธิปิญญาณก็จิตนั่นแหละของคนลขณะดนะฮะจริงๆก็นับคนขณะแล้วคนขนาดกั น, นความเคลื่อนไปคือการจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึง่งการจากสถานะหนึ่งไปสู่สถานะหนึ่งจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งเรถือว่า คือการเคลืนไปเพราะว่าชีวิตตราบใดที่มันยังไม่หมดกิเลส น, นะเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่จะตา ย, ย, ตายมันก็หมุนอย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้น ส, สุ ด, สดปุจจารส่งใช้กันว่าปุญัปปหนังเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆนะก็ตายบ่อยๆมันก็จำซาก อ, อยู่เนี่ยเป็นสภาวะของความถูกแล้วก็การความแตกทําลายของ ดินน้ำลงไฟอากาศที่มาเกาะกลุ่มกันเป็นร่างกายพื้นยู่เนิมก็หายไปส่วนผาดทั้งหลายก็แยกย้ายกันคืนสู่สภาพเดิมบางครั้งเราก็เรียกว่าตัวความตายคือมรรตยูแล้วก็ความตายด้วยการทำการละความแตกแข่งขันการทิ้งซากเอาไว้ ความขาดไปแห่งชีวิตตินสีชีวิตตินซีเนี่ยคือมนุษย์เราเนี่ยเราจะเห็นว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเป็นกายสังขารคือสิ่งที่ปลนปลื้อหล่อเด้งร่างกายเราอยู่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยตราบนั้นยังไม่เป็นไรเราแต่ลมลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็มีอายุมีอุ่น แล้วก็มีลมหายใจเนี่ยลมหายใจอายุอายุนแสดงว่ามันมีการติดต่อกัน3ามอย่างเนี่ยสรุปรวมมาเป็นชีวิตอินซีเป็นอินซีคือชีวิตคือความเป็นใหญ่ที่ทำให้เรามีชีวิตดารงอยู่ได้เนี่ยแต่ป น, นี้ถ้าขาดก็ขาดนะฮะหมายความลมหายใจขาดอายุก็ขาดอายุน ก, ก็ดับแล้วก็ดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ มันไม่มีใครรู้ชีวิตจริงๆมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไรจะตายเมื่อไรจะตายที่ไหนจะตายอย่างไราตายโดยวิธีใดแต่ตายแน่เราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายได้ความตายท่านจึงมองหลายระดับเป็นความแตกทำลายของชีวิตตินสีบางครั้งเป็นพูดภาพรวมคือของโลกิยชน ดูที่ชนนั้นคือทั้งหลายเนะฮะที่จริงกเกลียวสมมติมรณะสมมติอว่าตายน ะ, ะตายแล้วมันก็เกิดเด็กอ่ะมันเป็นกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างที่บอกแล้วก็พระหันที่นิพา น, นอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าตายจริงคือคือเป็นการตายที่ไม่มีการเกิดอีกครับเพราะเราเรียกว่าดับรอบคืเรียกสมยนนัยว่านิพานเนี่ยอะไรนิพานไปว่าดับรอบคือดับหมดเลย นี่คนเราส่วนใหญ่มันก็อยู่ตัวเนี้ยก็อยู่ที่การเกิดเกิเดเราก็แก่แล้วก็ตายปัญหาว่ามองอยังไงมองอยังไงจะได้ประโยชน์จากความตายเอาตีตามว่าญาติพี่น้องตายพระเจ้าทรงสแสดงหลักการปฏิบัติเอาไว้ว่าเมื่อญาติพี่น้องเราตายเนี่ยอย่าเศร้าโศกเสียใจอย่าร้องหยมร้องไห้ แล้วพยายามทำใจยอมรับคติธรรมดาแล้วไปจัดการจักภรรกิจศพต่างๆของท่านในเรียบร้อยเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ทำหน้าที่กันอย่างหนึ่งที่ทรงสแสดงไว้แล้วก็พระนำไปใช้เป็นบทบทอนุโมทนาในงานศพเนี่ยทรงสแสดงว่าเวลาเราทำบุญทำกุศลอุทิศแก่ท่านผู้ตายเนี่ย ก็เห็นชัดเจนว่าให้ผลสี่อย่างหนึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมคือธรรมะที่ญาติจะต้องไปบัตรต่อญาติของตนในขณะที่ญาติคนหนึ่งตายญาติฝ่ายเตียงอยู่ก็จัดการชาวบันทึกสดให้ความเพนกุศลให้พอคนที่ตายเขาก็มีโอกาสจะเผาเรานะะคนที่เผาเราเราก็ไม่มีโอกาสจะเผาเขา ก็เป็นการทำหน้าที่โดยอาศัยความรักความปวดควาความเมตตากรุณาอะไรต่างก็แล้วแต่ แ, แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นกุศลเจตนาแล้วว่ากลายเป็นกุศลกรรมเราก็สามารถจะหาประโยชน์หาประโยชน์จากท่านเหล่านั้นได้อย่างคนตายอย่างเยอะยกตัวอย่างเช่นตอนนางสิริิิรมาท่านตายเนี่ยพระเจ้ามีวิธีที่แปลกมาก คือเกิดภิกษุรูปหนึ่งท่านติดใจในความสวยงามของนางสิริมาแล้วก็ยังนึกว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะอายุอย่างน้อยก็เรียกว่าสามสิบกว่ากว่าไปได้แล้วแต่ภิกษุหนุ่มก็ยังเกิดพอใจติดใจท่านจนคล้ายๆทาไม่ได้นางสิริมาแล้วจะขอตายดีกว่าเข้าปลาก็ไม่ยอมจัด น, นอนขุดโป่งดูพระเจ้าต้องใช้วิธีให้ทางบ้านเมืองเนี่ยเขาประกาศขายศพนางสิริมา เป็นการสร้างกระแสแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่จะสอนภิกษุรูปนั้นแล้วก็คนทั้งหลายเนี่ยไม่เอ็นว่าชีวิตกับความตายเนี่ยมันแตกต่างกันหลือเกิ่ในขณะที่มีชีวิตเนี่ยใครไปอยู่ร่วมกับนางสิมาคืนเดียวเนี่ยแล้วก็คิดต้องพันกาห์กันนะจะมีตำแหน่งเป็นนักราโสเพนีก็ไม่ใช่ไปอย่างโสเพนีบ้านเราอะนะฮะ คือไปสนทนาไปฟังเพลงไปอะไรต่อไรเนี่ยดูการไล่รำต่างๆแล้วเธอก็ถ้าพอใจคนไหนก็อาจจะยอมรับนอนกับผู้ชายคนนั้นได้แต่ก็คนเดียวนะจากการสังเกตจากการพบในตำนาเนี่ยก็มีเพียงคนเดียวเป็นตำแหน่งต่องบันหนึ่ง พระเจ้าไปโปรดจนได้บรรลุมรรคผลเป็นเะโซดาบัน ต, ตอนนั้นได้ยินท่านก็เลิกแล้วนะเอ่อจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยให้เปล่ายังไม่เอาไม่มีใครเอาศพมันก็พองกันไปเรื่อยะพอได้เวลาพระเจ้าก็ชวนภิกษุทั้งหลายไปเยี่ยมไปเยี่ยมนางสิริมานะใช่กวมาไปเยี่ยมสิริมาไปถึงก็ยืนดูศพที่วางอยู่เงันแล้วก็ ก็ตุนเตือนให้ได้คิดในสุดก็สรงแสดงให้เห็นเรื่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยว่าลองดูซิผู้หญิงงามคนหนึ่งเนี่ยในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นที่ต้องการมันคนเป็นอันมาแต่พอตายแล้วแม้แต่ให้เปล่าๆเนี่ยคนยากจนก็จะไม่เอาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรอกมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา เพราะการทำจิตจะสงบเระงับในสัตว์ในสังขารนั้งหลายเสียได้เนี่ยก็จะเกิดความสุขเพราะความตายจึงกลายเป็นครูเป็นครูที่ประการต่อไปนะ่ะคือบาลานจะปีไม่ใช่เดตาจะบูชาจักตาอุราลาคือเป็นการบูชาอย่างโอฬานเป็นการบูชาต่อผู้ที่วายชนเห็นไหมก็เปิดโอกาสเราได้ทําดี สนองคุณบุปการีแสดงเมตตากรุณาแสดงความเคารพนั้ถือสถานณิตสุด แ, แต่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับท่านในฐานะอะไรแล้วก็ในการบูชานั้นก็มีอยู่สองอย่างคือรูปแบบพิธีกรรมต่างๆก็ทํากันไปในขณะเดียวกันเนี่ยท่านเป็นครูนะฮะท่านที่ตายก่อนเนี่ยที่จริงเราเป็นครูเราลองสังเกตว่าเราไหว้ศพเนี่ยศพคนได้ ก, กว่าก็ไหว้ได้นะ อย่างสมมติว่าพระท่านอ่อนมันสากว่าเราที่จริงก็ไว้ได้นะเพราะท่านแก่มันสากว่าเราคือท่านตายก่อนเราแต่ว่าพระก็ไปไปแต่ยึดถือมากเกินไปหน่อยที่จริงเรามาเรียนนะฮะเรามาเรียนกับครูท่านเป็นครูท่านนอนให้ดูท่านตายให้ดูท่านตายดูเป็นเป็นตัวอย่างเราก็ต้องเคารพต้องถือแทนแล้วก็ไหว้กัน เพะงานทบต่างๆเราลองสังเกตเราจะไม่ดูเขาว่าเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านก็แก่กว่าเราแหละตอนตายก่อนเราก็มาเรียนจากท่านแล้วก็น้อมก็มาหาตัวกระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาทเพราะคนที่เราไปเผาเนี่ยอายุมันต่างกัน บางทีเผาคนรุ่นลูกหลานเลยบางทีเผาคนรุ่นน้องๆบางทีเขาเขาเผาคนรุ่นเพื่อนบางทีเขารุ่นใกลๆเคียงกันบางทีก็ถึงรุ่นพี่รุ่นพ่อแม่ก็แล้วแต่ฐานะของเราสรุปว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เองทําให้ไม่ประมาทในชีวิตตัวการสําคัญเนี่ยคือกระตุ้นเตือนคนไม่ประมาทในชีวิตว่าชีวิตกับความตายในนิดเดียวเอง เดี๋ยวเราอาจจะพูดว่าเส้นยาแดงผ่าแปดก็ได้เราหมายใจหยุดไปเพียงสักห้าหกนาทีเราก็ตายแล้วไม่ใช่มากมายอะไรนักนะฟันปัญหาที่เรารับผิดชอบได้จริงๆนี่คือปัจจุบันนะขณะอดีตเราก็ใช้เป็นบทเรียนนะอนาคตเราก็คิดไว้ได้นะว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันจะมาเราทําหรือเปล่าก็ไม่รู้เราอาจจะตายซะก่อนก็ได้ วนคนในโลกจริงๆนอกจากพระหานแล้วไม่มีใครเสร็จภารกิจอะไรไม่มีใครเสร็จภารกิจมีงานค้างเติ่งอยู่เยอะเลยเพียงแต่ว่าพยายามทำให้มากไว้เราเกิดมาอาศัยโลกอาศัยส ก, กุลอาศัยครอบครัวอาศัยประเทศชาติอาศัยสังคมต่างๆมันต้องใช้หนี้แผ่นดินใช้หนี้แก่สังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่ ส่วนตายเมื่อไรก็ไม่รู้เพราะในแนความตายจึงเป็นอนุสติอย่างหนึ่งเรียกว่ามอนัสติคือตั้งสติระลึกถึงความตายและบางทีก็มอ น, มอนานุสติคือตั้งสติย้อนระลึกไปถึงความตายนะที่เคยเกิดขึ้นแก่คนอื่นแล้อาจจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อไรก็ได้แล้วก็ในอนาคตเราก็ต้องตายแน่ มีโลงพ่อรูปหนึ่งท่านเป็นพระกรรมฐานอามาตอนบวชใหม่ๆเนี่ยพบ ก, กับท่านแล้วก็รู้สึกศรัทธาท่านชื่อประครูประสาท ธ, ธรรมวิพัฒเก่งมากนะเก่งมากเทศเก่งสลาปราดเปรื่งมากเวลาท่านจะตายเนี่ยแหมท่านท่านรู้สึกเป็นสุขมากยิ้มย้ า, จายแจ่มใสอะไรแต่ไดก็สอนลูกศิษย์เอาไว้ มาดูตัวท่านแล้วก็ตั้งก็พูดเป็นคำกรอนว่าเกิดทีตายทีอย่างนี้ทุกคนทำบาปอกุศลตกนรกเวจีเกิดทีตายทีอย่างนี้ทุกคนทำบุญทากุศลไปสวรรค์นิพพานชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่เราทำอย่างไงนะะคือตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่สำคัญสำคัญเราประพฤติอย่างไง พระนันพระพุทธเจ้าจึงส่งแสดงว่าบุคคลแม่มีอายุตั้งร้อยปีแต่ถ้ามัวมองประมาทแล้วก็สู้คนมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ไม่มัวมองประมาทไม่ได้นั่นก็แสดงว่าค่าของชีวิตจึงไปอยู่ที่การเสริมค่าคือเพิ่มพูนคุณธทมความดีบังเกิดขึ้นไปในจิตใจ ก็กลายเป็นคนตายดีแล้วถ้าเราคิดบ่อยๆเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไระนะเห็นในมีมีอะไรก็พร้อมที่จะสละละวางคนบางคนท่านเตรียมท่านเตรียมหมดเลยท่านเตรียมบริจาคอะไรอะไรไปหมดเลื้อยเบาบางครัง้งบางคราวก็ ไม่ให้ไปยุ่งยากกับเรื่องซากศพไปมากคือทําความดีในขณะที่ตนทําเองไม่ไปต้องรอคนอุทิศู่วนบุญไปให้แต่ปัญหาตัวนี้เอาก็จริงเรื่องยุ่งยากมันกลายเป็นศพพาะนะเวลรนีนน้ไม่ใค่กลายเป็นศพโยมศพพระนี่กินเงินจังเลยแต่ศพแต่ศพยิ่งผู้ใหญ่เนี่ว่ากันเป็นล้านล้านเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันกลายเป็นแฟชั่นที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะต้องรับเป็นเจ้าภาพสวด แราต่างคนต่างก็แสดงความเป็นลูกศิษย์เอาไม่ได้ต้องเก็บใ้ก็สวดทุกวันนะเราเห็นว่าสวดคราวนึงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เรียกสี่ห้าพันแต่ไม่มีอะไรในสี่ห้าพันน่ะไปละแต่ถ้าเราคิดว่าเอาค่าสวดตอนเนี้ยตั้งเป็นกองทุน ม, มูลนิธิไว้ให้หลวงพ่อเนี่หลวงพ่อตายไกี่ปีก็ตามาเงินนี่มันทํางานแทนหลวงพอ่อยู่ช่วยเหลือเกื้อกูลเ ก, ลกสังคมแทนหลวงพอ่อยู่ ก็มันน่าจะดีกว่านั้นแต่เป็นแฟชั่นเป็นความนิยมที่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแก้ขายากต่ชาวบ้านแบบนี้ที่จริงก็ดีขึ้นเยอะนะฮะคือว่าเก็บศพน้อยลงถึงแม้จะเก็บไว้นานแต่ว่าสวดน้อยแล้วก็ปิดศพเลยแล้วก็เปิดสวดวันเดียวแล้วก็เผาเลยเพราะในรูปของประเพณีนี่กลายเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง ที่สร้างภาระยุ่งยากให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นตายก็คือตายเลยอย่างนึกถึงหลวงตาทดีวัดบวรเนี่ยจะคุณราชจบัณฑิตท่านพูดบ่อยท่านบอกว่าเวลาผมตายใส่กล่องอะไรก็ลากไปเผาได้เลยนะฮะไม่ไม่ต้องไปสนใจแต่แล้วก็สั่งมาตั้งแต่อายุท่าน60เดี๋ยวท่อนมานาภ า, าตอนนั้นรู้สึกจะ80บา่า แต่ทำตามพิธีนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้เก็บไว้นานอะ่รนึงเพราะความตายเขาเลยกลายเป็นครูเลยเราจะตายในคราวที่ยังไม่ถึงที่ตายก็ได้ตายในคราวที่ถึงที่ตายก็ได้กลายตายด้วยความพยายามบูคนอื่นก็ได้ตายด้วยความประมาทกับตัวเองก็ได้มันเยอะเลยตายด้วยกรรมเข้ามาตัดรอนก็ได้ชีวิตกับความตายจึงจึงติดกันอยู่เลยแยกกันไม่ออก แต่ถ้าเราปรับใจยอมรับความจริงแเราหาประโยชน์จากมันตายเมื่อไรช่างเจ้าสาบได้ที่ลมหายใจยังมีอยู่ก็พยายามทําความดีมากไว้แล้วขยายผลจึงเกิดขึ้นจากการกระทําเหล่านั้นให้กระจายลงไปเพราะคนเรามีอายุมากเท่าไหร่เนี่ยอาศัยคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นตอนใดชดใช้อะไรแก่สังคมใช่บ้างเราก็รู้สึกว่าไม่เสียทีที่เกิดมา เรือได้เช้ชาช้หนี้ให้แก่แผ่นดินให้แกชาติบ้านเมืองถ้าได้กล่าวเตือนไว้ในอุทานธรรมํำกลอนว่าคิดถึงความตายสบายนักบัรหักรกหักหลงในสงสารมันเทอมืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุงใจแต่ชีวิตของคนเราถ้าเราดูให้ดีเรื่องใหญ่มากที่ว่ามันกลายเป็นปัญหาสังคม เป็นปนัญหาส่วนประเาก น, นแล้วก็กลายเป็นปนัญหาสังคมนั่นคืออะไรคือว่าความศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมไตรนั้นไม่หนักแน่นแล้วก็มีความรุนแรงมีความอาคาิยาบาทรุนแรงเข็นฆ่าทำลายล้างกันเป็นข่าวได้ฟังทุกวันแล้วก็หมกมุ่นในเรื่องทางเพศมากเกินไปในขณะเดียวกันก็ประมาทในชีวิต ปลอยวันเวลาอย่างชีวิตได้ผ่านพ้นไปโดยไม่ได้สาระประโยชน์ใดๆอย่างบางทีนั่งคุยกันเนี่ยถ้าเราลองไปอัดเสียงไว้นะว่าที่เคุยกัน่ะมันได้สาระอะไรบางทีไม่ได้สาระจริงๆนะพูดเป็นเล่นนะแต่สังคมเราชอบอยู่อย่างนั้นเห็นไหมพวกตลกทั้งหลายนี่ก็ออกเวลาทุกคืนเลยคืนหนึ่งหลายช่องแล้วคนกด็ดูกันก็ติด แต่ดูเสร็จแล้วน่าจะถามเลยมันได้อะไรอะ่ะกว่า จ, จะตอบก็ได้ดูะนะะมันเป็นการปล่อยค่าของเวลาของชีวิตได้สูญสิ้นไปโดยไม่เกิดสารประโยชน์จะพยายามนึกถึงความตายเอาไว้มันจะกระตุ้นเตือนให้เกิดความไม่ประมาทและพอเห็นคนอื่นตายเนี่ยทุกครั้งเขาก็เหมือนกระสิบบอกนะว่าฉันไปก่อนนะเดี๋ยวคุณก็ ตรงไปเหมือนฉันเหมือนกันเราก็ไปเรียนความจริงจากชีวิตในสํานักของครูแล้วก็ได้ประโยชน์อยู่ทุกขณะตัวยังน้อยก็บันเทาราคะบันเทาโทสะบันเทามัวลงไปได้โอ้ยจะโกรธเครืองอะไรกันนักหนาไปเดียวก็ตายแล้วผูกอาฆาตไยับากันไปทาไมไปเดียวเราก็ตายกันนะอยู่กั น, นสบายสบายดีกว่าทำใจได้อย่างนี้มันก็ช่วยให สุขภาพจิตดีขึ้นย่า่ต้องฟังทั้งหลายใด้ร่มมาปิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็่งตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจุมมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทั่วกันสวัสดี